ธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์นรงศักดิ์ผีนานโยตตอนพิจารณากายจนเห็นจิดเกิดดับสำหรับคนที่มีอุปวิสัยวัสนาด้ดานการพิจารณากายเอาเริ่มพิจารณาเกี่ยวกับสุภาฐานความสุาพของร่างกาย ความน่าเกยดูมพังความตายความแตกแบบสหลายความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นอนิจจังทุกขกา อ, อนาตตาก็จะรู้สึกว่าจิตมันหดตัวจากความฟุงซ้านมีความตปร่งปล่อยวางเกิดขึ้นที่ใจก็ให้พิจารณาช้าๆอย่าทำา่วกลว ก, ลวก จะพีจารณาลวกลกให้พิจารณาจัดชัด ใ, ให้ละเอียดละเอียดทุกขั้นตอนของการพิจารณาตังแต่ผมขนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสับไตไตปุงใต้น้อยไตใหญ่ม้าสตับปอดหัวใจน้าเลือดน้ําเหลืองน้ําลายน้ำปัสวะน้ําลืหลอดข้อน้ํามูดเลี้มาสมองในกระโหลกที่จะค่อยๆพิจารณาชัดจัด แล้วเมื่อพิจนาเถึงอริยวาส่วนใดก็ให้ความรู้สึกว่าพิจนาอริยวาส่วนนั้นโยนหนกทิ้งออกไปจากร่างกายโยนไปโยนไปเน่าเน่าทุกชิ้นเน่าทุกชิ้นเน่าเผยภูฟังไปเน่าเผยภูฟังไปถ้าพีจนาเห็นมันเป็นสดสดอยู่มันก็ยังยึดถือได้ต้องพิจนาดูว่าพิจนาเป็นเน่าอยู่ในร่างกายเราหรือเอามันโยนออกไปทีจะชิ้นละชิ้นละชิ้นละชิ้นแต่บางท่านก็เพียงแค่พิจารณาอาการสาริสองไปถึงอริยวาส่วนใดส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกฟงปล่อยวางเมื่อ มีความรู้สึกถึงอวัยพะส่วนนั้นที่เน่าเปื่อยผุพังไปซักเช่นบางท่านเห็นว่ากระดูกมาถึงโครงกระดูกแตกดับสลายเป็นเท่าทุรีจิตใจก็คงปล่อยวางไปบางคนแก่พี่นายเห็นหนังที่เน่าเปื่อยผุพังตอนตายเป็นอื่นผู้พองเปื่อยเน่าแก้ความรู้สึกอันนี้ก็คงปล่อยวางถ้าอย่างนี้เมื่อพี่นา ม, มาถึงอาการ22 อ, อาการใดอาการหนึ่งหรืออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งแล้วรู้สึกใจรู้สึกคงปล่อยวางชัดเจนในอวัยวะนั้น หรือในอาการสายสองอันนั้นก็ให้พิจารณาอยู่แต่อันนั้นอันเดียวอย่าเพิ่งรีบพทีรณาต่อไปจะถึงอาการกบสาวรีบสองให้พิจารณาอาการนั้นหรืออวัยวะนั้นอย่างเดียวซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ำผิดใจก็จะรู้สึกปลงปล่อยวางไปปงปล่อยวางไปปลงปล่อยวางไปปลงปล่อยวางไปเข้าไปถึงความจริงเรื่อยๆเห็นความจริงไปเรื่อยๆมันก็จะชัดเจนการพิจารณาในเรื่องของกายจะเป็นคนหยาบๆไม่ได้ต้องพิจารณาอย่างละเอียดพิจารณาเห็นให้ชัดชัแล้วก็ เมื่อมีความรู้สึกแล้วก็ค่อยๆเห็นหมันชา้ชาๆชา้ชาๆชา้าๆอย่าเร่งรีบมันก็จะมีความรู้สึกตรงปล่อยวางชัดเจนขึ้นในใจเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกทั้งปร่งปล่อยวางหมดซิ่เองเป็นใจของเขาเองไม่ใช่เราปเป็นนานแล้วมีความรู้สึกสลดโก ร, รอูร้องไห้หลงเพ้อไปเรื่อยคือดจิตใจยังไม่ทันปล่อยวางเองเลยเราร้องไห้ก็ถ้าก่อนแล้ว ความความรู้สึกดีบคั้นจิตใจมันสลดโอดอูอย่างนี้กลายเป็นวิปลาสไปจิตเขาเนี่ยมันจะมีแต่ความเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วก็มันก็รู้สึกโปรงปล่อยวางเพราะความเข้าใจของจิตใจมันเชื่อน้องลงไปอย่างนั้นว่ามันเป็นจริงอย่างนี้เราจะต้องเป็นจริงอย่างนี้ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความนองเกิดผูกความนธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเลยที่จะยึดมันติดมั่นได้ทั้งกายและจิต จิต <90 S 2> มันก็ค่อยๆเข้าใจไปเข้าใจไปเห็นตามความเป็นจริงไปเห็นตามความเป็นจริงไปไม่ค่อยปลงปล่อยวางปลงป่อยวางที่จะจิตใจก็ปลงปล่อยวางของเขาเองในตัวของเขาเองหมดสิ้นพอที่เขาปลงปล่อยวางหมดสิ้นเนี่ยแม้แต่จะพยายามพิจารณาเรื่องอะตุบากรรมฐานภาวนาเมตติก็เป็นความตายมาเปิดผุพังขึ้นมาอีกเที้ยวในทีเดียวที่คิดมาจิตก็จะไม่ยอมคิดแต่หนึ่งราดเพราะเข้าใจแล้วก็อินในเรื่องกายแล้วยินในเรื่องอนิจจังทุกข์อนิจจตาของกายแล้วเขาก็จะไม่ยอม กินดนั่นอีกเขาปฏิเสธไปเลยคือเราไป็นคนพยายามที่จะคิดแต่จิดก็ปฏิเสธคือคิดปุ๊บดับเลยคิดปุ๊บดับไปเลยกลกันแล้วใจก็เจะหยุดการพิจารณาไปเองอัตโนมัติในเรื่องพิจารณาเนี่ยหยุดการพิจารณาในเรื่องของกายไปเองเลยอัตโนมัติที่ไม่ ย, ยอกพิจารณาอีกเลยผมต้องดึงภาพตโลโมชั่นไม่อยากมันไปใไไช้หนังมันจะจบเร็วเนี่ยมันจะเข้าใจเร็วทเรืองปุ๊บเข้าใจแล้วเข้ใจแล้วต้องดึงตัวโมชั่นมากเลยช้ามากเลย ทน่เนี่ผมก็ผมอยู่แล้วนะ่ลขนเล็ดฟันหนังเนื้อเอนกระดูกับไตไุงไตน้องไใหญ่มากสะบัดหัวใจ้ำหลือง้ำเหลืองนี่นี่ยดึงให้สโลโมชั่นในเหตุชัดชัเนี้ยผมไม่อยากมัน่าดไปเร็วคือมันทำไมเข้าใจเร็วเกินไปเห็นผมขนเล็ดันหนังเนือเอนกระดูกหัวใจแล้วว่าผมไม่เที่ยวอึงใม้อยากแบบนี้วะเนี่ยเลยดึงไว้แต่ละฟาเนี่ย แต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในผมบนนี้ก็นะนี่กระดูกตัดสินใจ็่าเนาะสามนั้งรถไฟตัวราอนจแตกลับสลายกลายเป็นุรีไปเป็นเท่าธุรีมาจากดินกับเพื่อนรินมาจากน้ำกับเพื่อนน้ำมาจกลกับเือนลมมาจากความว่างกับเพื่อสู่ความว่างดึงมาช้าช้าความเข้าใตรงนี้ทั้งภาพทั้งความรู้สึกทั้งความเข้าใจดึงให้มันช้าช้าช้าช้าป็น slow m o ยิ่งเดินห้าิงช้ามพระที่จะไปเร็วเราต้องดึงช้าเราทั้งความรู้ความเข้าใจทั้งภาพยังไปพร้อมกัน ชาหลงช้าหลงช้าหลงช้าหลงจ ช, ช, ช้ามากเลยก็ทีเนี่ยรอบเดียวถึงสว่างเลยทุกทีเี่ยผมก็เลนนามไม่ให้กันดูน ก, ก, กับไตแต่ไม่้าจะอยากเ่าตะกอนรจนน้ำเดือดูแลไปทีเดียวจบวึหน้าเดีจบแหลโอ้ยยิ่งย่ไม่ได้เลยอยากไปอาการตอที่สองเนี่ยเป็นจะถึงความแก่ความเจ็บความตาย น, กกน่าเปิดไปุู่ดินไปเนี่ยดึงเ่ยรอบเดียวสว่างเลยไม่ยอมให้มันเดินหน้าทำชัดชัดอยู่นัื่เนี่ยแบบนเนี่ยก็ อีกตอมันมีเขารู่าังไงนะผมว่ามันจบเร็วไปเีไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยก็เง็กๆเด็กๆจะรีบไปใจลงมันมีเวลาสักคืนหนึ่งที่เก็บตั้งรอบใหม่อยู่เลยตั้งรอบเนีนะใหม่เลยตั้งรอบเนี่ยตั้งรอบเดียวจบไปคืนหนึ่งคืนที่มันรอบเดียวหมแหละพอจะถึงสุดท้ายเยน้อยๆกระโหลกที่ใิดัำนี่แล้โหดึงมอคืนเวลาทำต้องทำให เังสองว่ามันมันคยงไม่ว่าเอาอย่างใหญ่ยงเพราะ่ตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันจะถูกกับเอไอไหนแนทาตอนหังนพอะลอมโมชั่นไปผมไปเจอตรงที่ที่เรามันถูกกับวิสัยเก่าเนี่ยไอตรงนั้นมันจะรู้สึกผิดมันจะรู้สึกว่าหดตัวแล้วมันจะรู้สึกปงฝอยหวานมันจะรู้สึกสลดคือไม่ไม่เที่ยว่าสลบแต่ว่ามีอารมมันจะสังเวชตรงว่านดึงดึงดึงนึ่งอยู่ตรงนั้นเ่ไปไหน่ะไม่ใช่การที่สองเนี่ยเท่ากันเวลาเท่ากันคือไอตรวนั้นมันดึงอยู่ตรงนั้นน่ ในกระดูกเนี่ยโอ้ยกระดูกเห็เยื่อในกระดูกในผ่ากระดูกออกเนี่ยมันชัดกว่าตัวืนกระดูกเสร็จผ่าให้กระดูกเป็นเยื่อในกระดูกเห็นเลือดในกระดูกโอ้ยตรงนี้นานมากเลยเพราะว่ามันมันชัดแล้วมันมันแล้วมันรู้สึกว่าระบบสัมผัสมันมันสุดองใสหวานแล้วอีกตอนนี้ดึงเสร็จแล้วตอปล่อยตอนเผา่เผาหมดแล้วมันเข็ดกระดูกเข้ากระดูกเองไงกระดูกเป็นซุนผงผสมกับอีที่เข้าที่ดินเป็นทุลีดิน ไอ้ตรงนี้ก็โอ้โหจิตมันโงไปวางมากเลยตองโกยมันจับเตามันเห็นตัวเองถูกโกยคิดเท่ามันจับตาเข้ากระดูกเลยไอ้ตรงนี้มันโดชัดมากในความรู้สึกมันรู้สึกว่าทั้งภาพทั้งความรู้สึกทั้งความโปรยวางทั้งจิตมันสังเวชโปรยสังเวชเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเดียวกันเป็นร้อมกันแล้วตรงเนี้ดึงช้ามากในสองภาพการแล้วมันบางทีเนี่ยว่าบางทีมันก็ตรงสรังเวชแล้วบางทีมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเนี้ย ไปธรรมดาแล้วตต้องทไปเ่ยถ้าไม่ไม่รู้สึกอะไรก็ก็พยายามต อ, อไปเลยที่นายผมไปนู่นตอบไปบางทีในอาการสาสองไม่ปลงไม่ปงก็ข้ามไปนู่นเลยข้ามไปเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่อยางล้มพ้นความแก่ไปได้เราต้องมีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ยาลมนความเจ็บข้ามให้ป่วยไปได้ไปตรงไปนอนรงพยานาลนนั้นคือแล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่อยางลม้นความตายไปได้พอที่ถึงพ็ถึงลความตายก็ปงไปวางเลย แต่บางทีมันแห้งได้งม่มีอะไรเลยลิขิตตรงนี้ก็ไปที่ไานั่นเลยอันนิจจาวัฏสังฆาลาอุปารเวชธรรมโนอุปัชฌวานิลุสันติเตสามูปัสโมทุโภเพราะ t h a นอานิจจาวัฏสังฆารามมันไม่ถึงตัวเองตายโดยเผาเป็นเมรเป็นขีเต่าตรงนี้ตรงนี้จิตมันไม่รู้เป็นอะไรมันลงเลยจิตมันลงตัวตรงนี้เลยมันหดตัวละมอนมันสลดองค์ปลอยวางตรงเนี้แล้วตรงนี้จับซ้ำอยู่แล้วแน็คไม่ไปไหนเลย ซ้ำๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอย่างนั้น anyway. พพแหละซ้ำคึ่อย่างเงี้ยประหลงที่อนิจจาวัฏสงสาราอุบาหยะดมิโนุบจิตวันทุจิเตสามุปัสโมตุโวโอ้ยตรลงมากทีมันก็ประกอบไปตัวนี้สัตสังสาริจจาสัตตสังสารุการสัตตสมาลังาแล้วก็อัตตวังทีวิสังทีวิเป็นของไม่ยังยืนตัวมรณะความตายเป็นของย่างยืนเอาสามมาลายามริสปัน เราจะเป็นตายเปี่ยนแท้มรณะประโ ย, ยชน์แตนาเมีวิต่าชีวิตของเรามีความตายไปที่สุดรอดชีวิตตางเมียตางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมียตาความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าจากคนที่แกต่ต่างเมีอาญากายโยร่างกายนี้อาชีรังไม่ได้สั้นอยู่นาะอาเปจาริ ญ, ญโนทังกัสจาริญ ญ, ญาสุโธอันเขาทิ้งไปแล้วอาชิเสสสติจานนทัสสะทสะทิงซึ่งแก่นินทะลิงทเทลังวาประดุดคำว่าสบอยท่านเป็นมีระดับหาประโยชน์นี้ได้ พอลงตรงนี้จิตมันตรงเลยสงบเลยบองทีก็ต่อนิจิ อ, อ, อาวัตสังคาลาต่อเลยบางสกุลต่อเลยบางสกุลตัวเองไม่ใช่บางกุลใครบากุตัวเอัอนิจิอาวัตสังค า, งางลาอุบเยัมมิโนเบชิตวานจันตีเตสังบุปโมตุโกมั น, น, นม เ, มมมโโเป็นทีาา่เต่ากดูกไปเราต้องรู้ว่าอนไหนที่น มันรู้สึกโปร่งวบายชัดเจน็คือตรงนั้นเลยจับติอยู่ตรงนั้นได้ไม่ได้อยู่กับระไหมฮิบขึ้นมาไม่ไม่อยู่กับกระลมฮะขอกมันไปเมื่อที่เราด้ถังหมวนิ่งว่างเราไม่สนใจตรงนั้นเลยพอวิญญาณเสร็จแล้วเ็งหมนิ่งว่างไม่สนใจตถังหมวกนิ่งว่างเลยหยิบเอาตัวเอาตัวขึ้นมาพิารใหม่เอาเอาตัวพิารณาเอาเครื่องมือพิจารณาขึ้นมาพิารณาใหม่ยกตัวมาพิจารณาใหม่ไม่สนใจไอ้จิตที่ถังหมวนิ่งว่างโล่ผมอนสบายไม่สนใจเลย ไม่สนใจหยพิจารณาต่อจนถ้ามันพิจารณาไม่ได้ความคิดทุกข์หายคิดทุกมหายคิดทุกขหายการอากาศเลยบางทีแยกกินตือผมกนเล็บตาหนังนี่เล่นกระดูดกลับใจต้รุงใต้อสอตด้วยแน้ำเลน้ำือึงน้กอนาการแบบนี้สองไม่ไม่รู้สึกอะไรมันแห้งแรงมากมันแห้งแรงแบบไม่ขาดหรือควักควักถูกตาออกเราเป็นคนตาโบยเลยไงลุกเอาผมออกดึงผมออกมารอกหนังหัวออกรอบหนังออกจากตัว เหลือแต่เลือดแดงแดงเนื้อแลเลือดแดงดงรอบหนังออกเหลือแต่อวัยวะตับไตไุ๋มไน้อยไยาบสับปะดจควักทิ้งเอามือลงไปทำความรู้สึกควักทิ้งไตปุูมไน้อยไยวอะไรให้เน่าหมดเนเนานอให้เน่าออกจากกายเน่ามเลยจมตั้งหรือต่โครงกระดูกตั้งอยู่พิจารณาผ่าโครงกระดูกแบกโครงกระดูกออกเห็นเนื้อเยื่อในกระดูกน้ำเลือดน้ำเหลืองในกระดูกแบกออกกี่อย่างงเห็นชัดมาก แล้วก็ท so like, right? right. ี่วุแล้วโกระดูกนั่นก็เผาเข้าเท้าเผาเป็นเท้าตูดเอไปโกยที่เท้าจเจ้าที่จะไปเผตัวเองเนีแล้วแต่เทคนิคบางวันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยบางวันก็ไม่ได้ทำนี้ก็ไม่ไม่ทาตำตำมันติดมันคุณต้องผ่าใหม่ควักใสกตารอเควักวักมไว้แล้วหนังถอดหนังเนื้อหนังออกมันก็ไม่ไม่มันแห้งแรงไม่เจ็จตัดเลยนี่ตัดขวาหมดอนอนนอนนอนนอนนอนนอตัดออกหมดเลย อ่าออกข้างลางนี้ขาแบกออกขาล่างกยแบกมันก็เป็นมันจะรู้สึกไนะมันไม่รู้แต่ว่าถ้าวันไหนพอเลิกจับปุ๊บมันแห้งแนงไม่ไม่ปลงไปวางมันติดไม่รู้สึกปวดตัวไม่เอาเลยแสดงว่ามันไม่ใช่อ้ามแง่มุมเลยไม่เอาแล้วตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาอันนี้ยาวอันนี้ยาวไปต่อสามขาหลังก็ลงเลยไปหาไปจนลงอลยลงแก่ใจแล้วจิตมันจะจิตมันจะหวดตัวลงมันจะตลอดมันจะตปลงสมเวร แต่ครับพิจารณาเรแห้งแรงมากเลยแสดงมันไม่ถูกตรงนี้ไม่ถูกเอามามามับางวันมันไปยถูกแต่พอเอามาตอนนี้ไม่ถูกแต่จะเป็นคนอยากอยากไม่น่าต้องเหียดก็เห็นละเหียดมันจะไปเท่งมันเฉยๆแล้วมันมันแดกไปเองนั้นไม่ใช่น้องใจเรเห็นมันแล้วน้องใจเราเลว่ามันทำเป็นอย่างเนี้ทำเป็นอย่างนี้ไม่อาจะเป็นอย่างอื่นไปได้เราต้องเป็นอย่างนี้หน่ยไม่อาจะเป็นอื่ไปได้ต้องน้องใจมาช่วยต้อเป็นผู้ฉลาด เอาแง่หินยกินมาเพี้ยนนะเป็นรู้สึกลงนัตตาบางทีมันลงที่นิจจมาลงที่นัตตาบางทีก็ลงที่ทุกข์ลงเป็นทุกข์ใครมันหาแง่มุมมาลงไลก็ลงที่อนิจจามทุกข์ขุนละกาบางทีมันลงที่ยนามเรื่องของเรื่องลงแบบอนิจจามไม่เที่ยวก็ไม่เที่ยบางทีลงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์บางทีก็ลงที่นันตตาไม่มีนายจุดมั่นจุมั่นเลยแต่นินี่มีเส้นลือมันก็ลงเลย เออนอกใจไปว่าเอาอย่างนีมไม่ลงก็ลงใจใจพูดอย่างนี้เรารู้สึกลงถึง่านอกใจมันก็ลงเม่กีเราเลืกภาบาลีไม่ได้ราเลือภาษาไทยจะเป็นเรื่อบาลีเอลบาลีได้ครัเือบาลีงีเราเลืบาลีไม่ออกเลยภาษไทยอย่างอมริาวัฒนารมอุปเวยามิโนอุปจิตวนุจาิเทศุมุก่บีแปลไออกก็เหภาษาติชาทาบู้ ควเาบนเมนมันม like like ันเหน่อมากเลยรู้สึกไปเลยยงไม่ต้องแปลวันนี้ะอาโทรัพท์ลาลาโทราปสามมโนอิวัีแปีจด้านวโมสโแอะไรไม่ต้องแปลเลยโอมันรู้สึกเลยอ่ะเดี๋ยวทะเลาขึ้นไปบาสกุลอแล้วเป็นบาสกุลตัวเราอยู่แล้วเราก็ต้องไปนอนให้เขาแชบ้านแบท่าาสกุลเป็นเนจาวโทรศัาลาบาสกุลตัวเราไปเร่ยอเดี๋ยวไม่ต้องมีเรื่องาะแปลเดี๋ยวจะแปลว่าอะไรทีรู้แปลแต่ไม่ตง แต่ถ้ามันเห็นาพโพสเตอร์มงว่าอย่างนั้เราเอาาพสตรเราก็เอแน้องๆบยกาที่หนาก็มันจะแค่ตาเส็จแล้วก็เห็นเอดับเดับเดับเดับอดีกงสึกคิดอารมณ์ิมเดับเดับเดับเตือดับเนดับเเตือนัเนดเอนดับเอดเตดบเอนดับเตองเดเอดับเอันนอันันัืนดตนบตอน เหนจิดเกิดเองกับเองเกิดเองดับเองคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดเองกับเองเกิดเองทําก็ปรากฏว่าให้เพิ่งเห็นว่าให้เห็นหน้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปงหยาบอยู่ให้เนเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีแต่ดับไปดับไปดับไปดับไปก็เลยพอเราตาปรากฏอย่างนี้เสร็จก็มีแต่ดับไปดับไปดับไปดับไปเห็นแต่ดับไปเพิ่งเห็นแต่ดับไปดับไปจิมันก็เป็นเองผลที่เกิดขึ้นเองเกิดเองกับเองมันแต่เองว่ามันเป็นป้านั่น มันไม่มีผู้ไปได้นานนะสมกับคำว่ายังทิจิตสมุทัยธรรมะสัพพันธ์มิโลสะธรรมะถ้าอาะหรนั่ลหาเยเห็นว่ามีแต่สิ่งใดโอมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นมีแต่ความดับไปเป็นธรรมดาท่ารู้สึกถึงใจแล้วจะกำลังพนขึ้นมามโอมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นเพื่อมดับไปเป็นธรรมดาท่านไม่ได้เรียกว่าอะไ ร, รไม่ได้เรียกหมอบมันเป็นความรู้สึกเรื่องิีอารมณ์ เป็นคิดนึกต like ึกตพุ่งแตงเป่งเจอกเล็กกว่าก็ก็ไม่ไหวมันเป็นอะไรที่ขึ้นเลยมันมีอาการอาการปรากฏอาการปรากฏอาการปรากฏแ ล, แล้วก็มีอาการหนี่งทำเห็นแต่ว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมีแต่ดับไปดับไปดับไปดับไปับไปที่เกิดมาเนี่ยมีแต่ดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปจนท่านใช้คำว่าสิ่งใดจิ่งหนึ่งมีแต่สริงใดจริงหนึ่งไอที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาตามธรรมชาติ <công ty S 1> <time> แล้วที่เกิดขึ้นมาธรรมดาก็ดับไปเป็นธรรมดาั้การเกิดเนี่ยหน้าเกิดก็เกิดก็เป็นธรรมดาการเกิดพราะยังเป็นฐานหนะอยู่แล้วไม่ตายและการดับไปเนี่ยก็เป็นหน้าที่ดับไปเป็นธรรมดาทั้งการเกิดและการดับจะเป็นธรรมดามีแต่จิตจะเองแบบเี้จิตจะเองแบบนี้ไม่มีผู้เข้าไปวินารณาจิเพราะว่าไอ้ผู้เข้าไปพินาจณาจิตอ่ะมันก็คือจิตมันก็องแต่มันจะไม่สิดนงแต่ พอถึงจิตแล้วมันคือพิจารณาจิตไม่ได้เพราะจิตมันเกิดเองแบบเองพอเราไปพิจารณาจิตพรบมันก็คือจิตคิดต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันพิจารณาได้จากรากายแต่พอเราไปเราไปพิจารณาจิตเข้าไอ้ตัวพิจาณาไปจิตตัวเองแต่กายเนี่ยมันกายมันพิจารณาตัวมันเองไม่ได้ต้เอาจิตไปช่วยพิจาณากายแต่พอถึงจิตเนี่ยเราเอาจิตไปพิจารณาจิตไอ้ตัวพิจามันเป็นจิตแล้วมันก็เลยไม่จบสิตัวนเวียน เพะิตเียมะไรยู่แต่จิตเกิดเองแบบเองยังจิตจิดสมุทยะรรมสัพสัมิโลสัมมมีแต่จิตใดจิตหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาจิตทั้งหมดนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาี่เกิดเองับเองกิดเองดับเองหมือนแสงิ้งหอยแบบว่าแบบว่าแบบว่าแบบว่าแบบแบบแบบแบบไปแบบไหรือเหมือนฟ้าแลบไม่มีผู้กวที่จะนานมันไม่ได้พูดถึงนะผู้เพงผู้จบเน้เราเป็นผู้ดูหรือเราเป็นผู้คิด ไอราคิดดูัน้มีพวกนี้มันมีเกิดเองกับเองดับเองใหู้ีไรวมวงบุญด้วยรวมพิจารณาด้วย่ติดตหาเหตุผลมันไม่มีลหมดสิ้นตรงนี้เอจะต้องดูไหมไอาดูเงจะติดใไหม่านมากุ่นหมดนะมันเลยหมดนะมีแต่เกิดเองบเกิดเองกับ